มีคนคนอื่นเขาเกิดได้ไฟมาจากสิ่งต่งายแล้วนั้นแต่เขามาบอกคุณว่าไฟอยู่ที่นี่อยู่ที่ไม้ไผ่แห้งนี่ยอยู่ที่นี่จะทำางไงครับเึ่จะเห็นมันต้องเอ า, มาไม้ไผ่สองี่นี่มาชีกันอย่าหยุดเยอะก็เกิดไฟขึ้นมาตรงนั้นไฟอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็เชื่อโอไฟมันอยู่ตรงนี้เราก็มาทำ เอาไม้ไฟสองขี่เมื่อสีั้งสองไปอทําไปท่านมันเหนื่อยเนื้อมันในความสีดขี่มันก็มีเห อ, อ, อนไหมื่อถผ่เนี่ยกำลังจะพอเราน้อยถึงสีดขี่ไฟไมันมีละทิ้งมันไปอย่างนี้ก็ไปประกาศว่าไฟในที่นี้ไม่มีไฟในที่นี้ไม่มีอันนี้เราก็หลงผิดอย่างนั้น ความเป็นจริงนั่นเนี่ยไฟมีอยู่ที่นั่นเมื่อเราทําความร้อนไม่สมดุลกันไฟก็ไม่ปุ๋อันนี้เราต้อเข้าข้างตัวเราไม่พู้ถ้าคนจริงถ้าเลาอุตส่าห์ทําไปเรื่อยๆมีขันติมีวิริยะมีความเพียรเอาไมาา้ไฟสีกันไปจนเป็นความเห็นเป็นลวมันจะเป็นไฟได้จริงๆครับอันนี้เราปฏิบัติไม่ถึงมันก็ไม่มีไฟทะเลตัดไปกระเงมีไฟเลยตรงเนี้ย อ้ความเพียรเราไม่พอเราไม่ถือเช่นแบบพระไทยสมันรการพระสรงางเราสมันการอยู่ไปอยู่ไปแล้วก็ลองคิดเอาผิดันดอกไม้มาหลวงพ่อลาศิษา์นะลาศิษฐ์นทำไมหมดความเพียนแล้วพูดอย่างในอายนะใครพระพุ ท, ทิเจ้าทำความเพียรยังไม่หมดหน้าบวชน้าภาสาสองัาษามาทำความเพียนหมดกัแล้วทำไมทีเ่เจงทน นี่คือน่เวาคูดถูกความจริงความเพียรมันหมดไม่ได้เนาะจะทันไปเจอความเพียนมันีนหมดแต่เราที้เกียจเนี่เดี๋ยก็ม่หมดความเพียรมอนหมดทีเราไอ้ความเพียนมันมีอยู่อย่างนี้นะครับก็เลยพูดไปแล้ก็ไม่ทีเจรนาหยบกันไปหยบความจริงเรยรื่อเ่ไปจนความเพียนหมดนะ ไอ้ความเปจริงถ้าเราพิจารนาดีๆเลยความเพียนมันไม่หมดมันหมดไม่ได้เื่มนมันนั่งนั่งทำความสงบอยู่เดยนี้เขาจะตีกรองอยู่ตรงนั่ถึงถึงถึงเราเนั่องไปเนั่งไปเพระาะ น, นูดลงคาบยิ่งทีเกิดความหลงคาบจรินทาไมมนันลงคาญเราหาความสงบตรงนี้มันานั่งอยู่เลยเขามาตีกรอง งอโขวิ่งตึ้นั่ก็ใส่คิดกินมาจนมันเกิดลำคานมาลำพานทําไมมันถึงลำคานเพราะบอมันคิดผิดมันถึงลำพานคิดผิดยังไงก็คิดว่าเสียงนั้นมันมันมากวนเราเนี่ยเรคิดผิดแล้วถ้าคิดผิดเกิดทุกข์เกิดลำคานเกิดมีพอใจเกินมาเป็นกิดลสเกินมากองคือโลก โกรธหลงเกิดขึ้นมาปัญหาอันนี้แก้ไม่ได้แต่อพอเราตรงไปอยากหาความสงบมันไม่สงบแต่เพราะมีสิ่งที่มาขวนควรับ อ, อันนี้หลายัาษาหลายปีบางคนก็ตายไปยไม่ดูเรื่องถ้าหากเราทนต่อสู้กับเวทนานี่อยู่นานมนนนนีอารมณ์เกิดขึ้นมาก็ต้องพิจารณามันมีดีไอ้เจียงกลองที่เขาตีขึ้น่ะ ที่เราว่าเราลาพานอันนี้เราคิดผิดคิดผิดทําไมคิดว่าเสียงมันมากวนเรามันต้องอยู่ที่นี่นานๆอยู่ที่เน้นนานเพืให้มันเกิดปัญญาให้มันเกิดยานเนี่ยทํามันไปตรงนั้นเนี่ยเหมมันพุ่อยู่ตรงนั้นเนี่ยนานๆมันถึงจุดอีมันวันหนึ่งมันจะมีความรู้อันหนึ่งพ้นขึ้นมาว่าอืม อยู่ที่นี่ตรงสมยัยอยู่ที่นู้นตรงไหนสมั ย, ยเพราะอะไรมาควนเราเราจะ ท, ทะลุปัญหาที่อยู่ของเราเนี่ยมัอันนี้มันจะอยู่ที่ไหนมันเป็นแค่ไม่กวนนะเป็นแต่คิดนึกไปนึกมาคิดไปคิดมาพิจารณาได้แตจะโกรธนะอันนี้เนาะไม่ใช่เขามากวนเราจะแล้วนี่ลองไปกวนเขานี่แับมันกลับแล้ว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 นะมันจะถอนตัวมันเองสแล้วมันจะ เ, เลอกหรครับมันเลิกครับนี่ต้องไปบังคับอะไรมันแล้ว<ม>เห็นแค่มาเราไป<ม>เราเราไม่ไปกวนเขาที่เราเห็นมาเราเขามากวนเราค ว, วามเห็นชิดของเราคือปัญญายังม่เติบโแต่เราเห็นแค น, นี้แวอยเราไปกวนเขาถ้าหากว่เราไปวนเขาแล้วเราก็ทิ้ขงของทางนอกล้วก็ดูขางในอย่าให้มันไปกวนมันคนละเรื่อง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 ทีนี่เราปล่อยด้วยจิตวิจิตเพราะเราปล่อยได้เอามาใช้ามันตามเวลามันที่นิทานวาเราอยู่เป็นกลุ่มกันหาที่ความสงบตรงนี้พระอยู่มีในความสงบแต่คนจะมาโวยวายขึ้นตรงนี้ ไ, ได้เราต้องบอกยุบอย่ามาทํางานอยู่นี่อย่ามาพูดแรงอยู่นี่อย่ามาร้องรําำําเพลงอยู่ตรงนี้ต้องเอาของโลกมาใช้ถ้าเราจะปล่อยไปมันจะเล่นในต่างๆนากันอันนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วครับอือย่างนั้น ถ้าว่าถึงที่มันจริงๆแล้วมันจะทําอะไรเมื่อเราจะต้องวางเราต้องวางตามเดือนสถานที่มีคนทําอย่างนี้สถานที่มีคนทําอย่างนั้นวันนี้คนทําอย่างนี้วันหน้าคนทําอย่างนั้นมันจะกลตัเหตุการณ์เรื่องพิจารณาตรงนั้นคือเมื่อเราตั้งใจว่าจะทําอันนี้เอามันจะร้องเพลงมันจะทำอะไรไม่เป็นทุกข์เราปล่อยมันได้นะ อันนี้เปรียบเงั้นพระพุทธเจ้าของเราหรือสาวกพระพุทธเจ้าของเราที่ทำชิ้นไปแล้วไอ้สิ่งที่มัมาลบกวนอะไรต่างๆภายนอกท่านก็พยายามให้เราหนีไปให้เราเป็นคนงูทะก่อเนีเ่ยไปไปสร้างความตลาดที่อืน่นตรงน้ตรงนี้มันทนเหือไล่มีไปไล่ท่านยังสอนให้เราไักน้อยให้เราสัน้นดะูเนาะให้เรายินดีในของที่มีอยู่เนี่ย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 ท่านไปหาความชนะในป่าให้มันสงบฝึกอยู่ในป่าฝึกอย่างที่สงบไม่ใช่หนีไปด้วยความโน้หนีไปด้วยความฉราดหนีไปด้วยปัญญาเช่นพวเราทั้งหลายหนีโรคมาออกมาบวชหนีแสงหนีสีหนีอะไรออกมาอมบางคนมันจะไ ป, ปนนเกลียดแสงเกลียดสีเกินไปหนีไปเรื่ไปอันนี้ก็ไม่เกิดปอไยู่ หนีไปเพื่อความแพ้เขาต้องหนีไปเพื่อความชนะเพื่อเอาความรู้ในชั้นในมันเกิดขึ้นมาให้มัดูเรื่องอันนี้จนคำว่ามันเป็นโลกะวิทูอย่างพระพุทธเจ้าสอนว่าให้รู้แจ้งซึ่งโลกเมื่อโรคนี้มันไม่แจ้งอะไรได้จนคอไป็นสุดจนคอเปเรียนเสมอเสื่อความชนะเนี่ยอย่างนี้บางคนอยบอกว่าอื้ออออ น, น, น, น, นมันเป็นอัจจกิรมานิโยโค กลัวเซื่ไปเข้ายืนนิ่งตไปฉันมือเดียวมันเหน็ดมันเหนื่อยอะไรต่งตางๆเนี่ยคนนั้นก็จักไดว่าพูดอะไรมันขัดใจเราคนนึงว่าเป็นอัตตาหมดทั้งนั้นแหละแตเพราะเรามีชอบเพราะเราต่างตัวเขาอย่างนี้จะมีอัตตาจิรมาธานิโยโคมันเป็นอย่างไรตามมาสึกตามมาสึกปัญญาโยโคลเขาไม่มีใจกันไม่มีทางอธิษกานเลย มันจะมีภาคมีการเป็อตมาจิรมาธาอยู่ชั้นมือเดียวอยู่ไม่เกิดประโยชน์อะไรต่ออะไรมักน้อยการโดดยินิปามิบิณัตตะไปหมดผมเคยพูดว่าอย่างนั้นท่านันข้าท่านก็เชี่ยวข้าแต่เป็นอาตมาจิรมาธาโยโคถึงนั้นเอเขาสร้างบ้านหลังหนึ่งนะครับไม้น่มันเป็นประโยชน์นด้วยเมื่อไรยินิปามเป็นต้นอย่างั้นน่ยมันเป็นต้นเป็นปลายอย่างนั้นจะมาสร้างบ้านหลังหนึ่งจะมาทาอะไรหลังนึงนะ ก็ต้องมาตัดมารอนมาเรื่อยมาทําให้มันสัตว์ในส่วนด้วยความยุ่งยากลำบากทั่นนั้ น, นยอย่างนั้นมันก็เป็นอาาัตจักราาีธรรมทายอโยโู่คนก็ไม่ต้องทำอะไรกันทร้ง น, นี้เขาถอนไม้ต้นนี้เขาเรื่อยไม้ตนนัวนี้เขาใสา่ใส่กระดานนี่แหละจุดหมายเขาเพื่ออะไรถ้าจะเอามาสร้างบ้านมันเป็นจีิอยู่นั่นอันนี้คือการกระทําทมันเป็นเหตุอยู่แล้ว มันจะเหตุก็เป็นเรื่องธรรมดาซอราะรักเขียนว่ามันเป็นเหตุครัเมื่อมันมีเหตุจะมีผลมันจะเกิดนเป็นนั้นนิ่อจุดฝ่ายที่สร้างบ้านที่เราจะได้อยู่เพราะคนยังต้องได้อยู่ได้ดับได้นอนได้มีอาศัยที่อยู่ที่อาศัยเป็นธรรมดาอยู่อยิ่งจะมีปัญญาเศรษฐกันนั้นจะ่ากคนเราเมื่อยอมปฏิบัติแล้วก็คิดสิ่งนั้นฉะนั้นสมัยนี้คนเรานั่นนะ มันมีความรู้มากแต่ความดีน้อยเพราะอะไรเพราะว่ามันมันมันเห็นรู้ชั้นที่สองอไปมันเห็นรู้ชั้นที่หนึ่งเนั้นน่ะอชั้นที่หไม่เห็นรู้ชั้นที่สองที่สามอไปมันกระทากันมันไม่รู้นั่นแหละครับไม่รู้แคนั้นนะอืมฉะนั้นผมว่าพูดถึงส่วนพุทธศาสนานี่น่ะ ไอ้พวกเราทางนักสัจนิสิศึกษาปริปรยัติทางหลายด้านนี่ น, น, นไม่ใช่เนื้อแค่ดีๆอย่งนี้นแกก็ไม่ควรจะเพื่อฟนฟูในทางพุทธศาสนา น, นีพน้พูดอะไรคล่องทาอะไรก็คล่องแต่ว่าตัวไม่ทำไม่ทำใส่ความจริงของมันมันก็ไม่เกิดขึ้นมาอื ม, มไม่ได้รู้นั่นเราะมันไม่รู้ทราบว่าอย่างท่านย่งแก เนีครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่นำเด็กปฏิบัติดีครับนำเด็กปฏิบัติดนะีเนทีนี้ผู้ใหญ่ก็ไม่ทำคนรู้มาก็ไม่ท ำ, ำ, ก, นนำท ก, ก, ก็นั่นก็ไม่เกิดประโยชนอะไรเลยทั้งนี้เด็กเด็ชุ่มนังว่ายิ่งขี้เกียจมาใต้กันเราก็จะถึงโทระแสดงผมเคยพูดในพระเจ้าพระสงฆ์ฟังเลยเนะ ให้ท่านอยู่ในเมืองจอยู่ไปอยู่ในปา่าอยู่ไปให้สันตินะฮให้มันดูเรื่องจริงทางไหนเหล่ า, ลานี้พันจะรู้ภค่ศาสนาโดยการปฏิบัติดูไม่มีน้อยกนมีความรู้ได้ลหลายก็ไม่อยู่ในปา่าก็มีดวงไามาเดียตัวเสืออ้อโรคมาดเดียอยู่กุงเคพนี เสียเงนไปก็เสีมันเอก็เสียเงินไาไปาคอืเจเสอตัดดียงไปดูิป่าเสัมแน่เียอยู่ตามบ้านเคตะคุบมนั่นเสือในบ้านมันตะคุเสือยู่ในบ้านเยมีชีิมาก ถ้าเขาไปในปากตัวมั น, น, น, นิวนนนนตัวมันจะเนือยตัวมันจะร้อนตัวสับตัวเสีไอความร้อมนมันเป็นวมดนึ่งโอ้โห <c oughs> มันที่ร้อนใหญ่ฟองไฟเยมันไมกลับไปเสียถิบแล้วมันจะไดไ้นหไ เดินไปภู เ, ม เ, มเลยกัไปนูน่นมาเมืองไทยกัไปอินเดียไปอินเดียกัไปลันตาไปลันตาแล้วก็ไปลาโรคจะไปรอบโลกโลกนี่มันรอบไม่ได้หรือทาโลกมันรอบโลกไม่ได้มัน็เบ็นนีอ้อนความเป็นจริงนันก็ ไม่ได้ค้นคว้าอะตัวอะไรที่จะอยู่ปาที่ปฏิบัติจะมีปริยัตยิเรืองนี้ก็จะมีมากนะมันมากในทำเป็นเรื่องสนุกสนานกันไปได้หลายอย่างเลยที่บอกวิจิตติปฏิบัติของเราจิตใจเราเมื่อมันเห็นชั ด, ดจิตใจอันหนึ่งปฏิบัติเรื่องแรกหูไม่ได้ยินตาไม่เห็นอั่นี้สุดๆสงบ เกิดความสงบอย่างปลอมอืมเขาเรียกว่าสมถะสงบอสงบไปเสี อ, สอสจะวุ่นวายอีกทุนของความวุ่นวายสงบส ม, สมถะนี่คือทุนของความวุ่นวายมีสงบเพราะตาเราไม่เห็นหูเราไม่ได้ยินออือสงบแค่ น, นี้ เป็นเหตุในพระดึงตัวกันอยู่องค์เดียวจะอยู่ป้าไอ้หนังช่วบานที่เข้าชานสบายใจโน่นแ่ไม่รู้ว่าเีตุนีเป็นยังไงกันไม่รู้จักเสือบางทีเนี่ยมันเฉียมเมื่อใดก็หายหมดในความสังเีตตาเราเห็นลูกโอ้เราเลยยินเสียงเราเห็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าเราเห็นโทษในสิ่งทงไหเหล่านั้น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 ขาขาพระพุทธเจ้าจึงเรย่าอย่าประมาทถ้ขาใครประมาทคือคนตายอืมคือคนตายอยประมาทแล้วก็เหมือนคนตายแล้วอืมเนี่ยมันชินใช้อย่างนั้นที่คนประมาทคือคนไม vale ่รู้จักไม่ค่อยมีสติคนไม่มีคนไม่มีสติก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องจะมีจักรพรรัิสงวรทั้งรวมไม่รู้จักการสั้งวรสั้งรวมก็ไม่รู้จักว่าอะไรมันผิดอะไรมันถูก ถ้าไม่ดูจากอะไรผิดอะไรถูกไม่ดูจากข้อปฏิวัติก็งงอยู่ถูกอารมณ์มางงมือนไตแตกแล้ววุ่นเนี่ยเก็เป็นเพราะอันนั้นกิเป็นเพราะอันนี้เป็นเพราะอันนั้นเป็นเาะอันนี้เพราะเรานี่ไมมีมีแตพาะอย่างอื่นอืมเกิดเป็อย่างนี้แหละครับอื มันจะต้องหลงในรูปมันมีผู้ปฏิบัติต้อหลงในการปฏิบัติเนี่อ่อืมเป็นส่วนใหญ่อืมอย่างนั้นอุชาธรรมเชอะครับดูให้รู้ถึงคุณพระพุทธเจ้าแล้วท่านทาอย่างไรมาผมทุกว่าผมคิดว่าทุกวันในบุญเราหลายเนี่ยหลายอะไรคะโอวาทของพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาหาความจริงได้ทุกวันมีมีความจริงเยอะไม่ได้ค้นคว้าหาอะไรยกไปนั่งมาดูแต่นั้น จับหนังสือเล่มนั้นขึ้นมาดูอ่านออกรูเรื่งอันนี้มันถิดไม่ต้องพิจารณาไว้สมัยที่พระพุทธเจ้าท่านออกปฏิบัติครั้งแรกเนี่ยใกา้ๆก็ว่าจับปลาในต่างทะเลใกล้ๆนกนอนมันบินในบรรยากาไม่รู้จควอตรงไมันเป็น่งสนใจมันคว่ำถูกครับเฮ้ไม่ต้อจับไม่มีอะไรช่วยมันเรียกงมาช่วยตัวเอง แบบนี้เรามีอะไรช่วยแล้มถ้าลงในประเดนมันมีเรืออาศัยแล้วคือ ม, มันมีรู้ผลิตผลิตศึกษาและทุกรรรรนนทุกคนผลิตศึกษาใน้คนดูคนสอนมันมีทุกอย่างมันมีทุกสิ่งก็จะรู้รมมการในการยึดแบบของเราถ้ารวมยอดของมันมันก็ไม่รู้อะไรครับวันนี้ วันนี้ตาชาคารโลจะเจรียดผมก็อนี stopped, ่จังอแนนี้ยวันนี้ชาคารโจะจะรักผมวันนี้ชาคาโอก็ต้องสอนจาของอันนี้นม่แนี้ยเท่านี้มันกหดแล้วครับ่ามันไว้ะฆ่ามนไ้ามันไว้เด็กทีกระต้นน้อยมันจะรับที่มาตัดอย่านานๆนะตัดเทวันนะถ้านานมันถ้ามันนานใยตัดมันก็เป็นป่าใหญ่เหมือนกันนะมันมาตัด โชคุณนสัต์โชคุณนำสัตว์สงใจยงั้นปวกที่กะดีองหงอยู่ตรงนั่นแต่ไม่ตอนนี้ตรงนี้ปลวกไม่มีอ่ะไม่มีกะดีมันขึ้นเราสร้างกะดีไปพู่มันขึ้นมขึ้นขึ้นทุกวันทุกวันตารชาพบอมัยมาเขียหมดแต่งคืนเระสร้างกันมาอีขึ้นมาถึงนี้อีกต้องจะเขีืม มันสร้างขึ้นเรารื้ออกแต่เผลอน่ะเผลอมันขึ้นกินตนสติหมดนะถึงจะทามันกางทีบัตเอี๋ยวเพ้ามาไอ้ความเพียรความกลัวมันจะกินเท่าไหร่เออมันเอาเป็นเดือนกันนะบางทีเราเอาเผลอมันขึ้นมาตรงนู้นก็ได้นะเคียร์ออกตอนเช้ามาก็ออกไปตั้งใจตรงนี้แหละเคียร์ออกนั่นก็ขึ้นมาตรงนี้เคียร์ออกกลัวมันก็ลังคารแบนี้กันนะ แม่ทําอะไรขึ้นตังไหญ่นี่จะเป็นมารื้อมาถอนึงนัะมั้นนังเหนียวกันงนี้เลยสักนู่นตีนี่พวกเนี่ยนี่ผมเคยทดลองเลยนี่จะเป็นบทภาวนาเอราสมมติกันเช่นนั้นแล้วทําได้คือเรื่องนั้นเกิดขึมาพยายามฆ่ามันข่มมันด้วยในความตามใจในทาตามกําลังมันด้วยทุวันทุวันนะในความเกลียดข้ามก็ดีความทุกข์ก็ดีถ้าเราฆ่ามันข่มมันนะมันจะมันก็หมดที่พึ่งเหมือนกัน มันม่เกาะด้านี้ได้ล้วปัดมันออกไปเช่ไหมเงินมาเอาความสูงแล้วก็ปัดออกไปใช่สุวันซึ่งเกิดเป็นมิตสครับเกิดเป็นมิตสเติมเป็นมิตรใสดูสร้างขึ้นสร้างขึ้นอันนี้ก็เป็นประโยชน์ครับสร้างอย่างนี้มันต่อมันจะพอกเต็มเต็มเตมเตยมะไรเอาไตัมวกมอการถ้าเราปล่อยมันปล่อยทั้งวันทั้งวันขึ้นทัางวันยการไปวันอันนี้งานคดี้ยวเหมือนกัน กิเลสตรงนั้นปวกกันแหละประยชน์สิโตขึ้นมาโตมามีท่นเชิญรุนหมดลาเยอะเฮลับเรียสไปทีไหนน่าะระวังแต่ยไปให้สร้างปัญญาขึ้นกิเรสหนึ่งก็ปัญญาทันมันไปอยู่เท่านั้นน่ยปัญญาเราก็ยิ่งมันเด็วกวิกิเลสอยู่แล้วสร้างปัญญาให้เดียเป็นอาวุธต่อสู้เป็นธรรมอวุธ ในใจของเจ้า ข, ของทั้งนั้นเนี่ยครั้ง น, นี้อืมแต่พอเรารู้จักว่าอันนี้มันเป็นจดิษฐ์อันนี้ในเป็นจดิษฐ์พอรู้เท่านี้ก็ก็เสร็จ ง, ง่ยใจจะ ป, ปฏิบัติแล้วอันที่คนไม่รู้เลยว่าเออเราชอบใจยงั้นเราทําทอย่างนั้นมันสบายดีโออันนี้ไปนานเดียวอืมันที่ไปตายในชีวิตสายชีวิตในดูเรื่องเราออกมาบวชนี่เราต้องการความสบายเราต้องการความสงบไม่ต้อง ใ, ใครบังคับเรา เราอยากอยู่ใชอยู่ตามสบายปล่อยขนาดนี้หนักหนาเหลือเกินนี่หนักไปวัดนี่ก็ไม่ีใครช่วยได้ปูดไม่ได้คงมเชื่อไปเท่านั้นนะยิ่งไปกันใหญ่นี่มันเป็นหลายแบบันี้ปนเรื่ของมันดวดลายมันมีสี่เหี่ยมนะครับติดคืนนา่ใหญ่เีสัธิตกระตาอัลมาทุกขาี่เียคาใหญุ่กขา ถ้าเราไม่รู้เรื่องมันแล้เราไม่รู้ภาษามันยากยากไม่รู้ภาษามันชาสโลเห็นเคยเห็นเสือไหมเสืออยู่ในบ้านเสือในบ้านเคย เ, เ, เห็นไหมใบ้านเออเสือมชเสือในป่าเสือในบ้านเห็นไหมเสือตุ้งยนันมันไลน ะ, อะเออระวังมัน <laughs> เขี่ยมันยาวเล็บมันแหลมนีระวังยิ่งเสือจะวผู้ ย, ย, งง ย, ย, ย่งใคะู้เขี่ยมันแหเสือตัวเมียไม่ได้ลนะเล็บมันผมเขี่ยมันแหลมถ้าใครเห็นเสืออยู่ในบ้านช่างชั่วถ้าสาวเห็นเสือก็ยัยงอ่ะอืมเป็นสืเปือ นานแล้วมันกินสิบเสือกกินตายด้วยนี่ไงเสือก็คุกกินเยอะๆต่อนนี้หยุดการเที่ยวก็ได้เราไปดูหลายๆแห่งสวรรค์เนี่ยบวดทีอะไรอู่างเงี้ยดูเท่านั้นไหมอือ ตอนนั้นเนี่ยต่อไปนี้ตั้งใจที่ไหนมีครูมีอาจารย์ช่วยแนะนเาได้แนะนำคาสอนอยู่ไปพอสบายสบายสองคนไม่ต้องหาอะไรมันมากก็ที่อยู่ที่อาศัยก็ตรงนีหามันนิ่มนวลไปแล้วอาหารการกบการจัน ม, มันอยู่ได้ฉะนั้นเนี่ยที่ไหนอยู่งั้นก็ไม่หาสิ่งสบายแล้วที่ไหนจะพอตาความเห็นมันถูกต้องได้ในการปฏิบัติเรืยนอยู่ตรงนั้นดีนะตรงนั้น ถี่มีเป็นบททางที่ ส, สอง่น ม, มันมันมันมันจะไปหาที่ไหนมันก็ไปเชอราปฏิบัตินี้เพราะที่เดียดนอยู่ข้างนอกไม่อยู่ตรงนู้นเนี่ยตัวที่มันนาเราไปนี่คือตัวที่เดียใหญ่เลย <c oughs> ตัวมันเป็นหัวหน้าเรานำเที่ยวนี้แหละตัวที่เดียดใหญ่นีมันบอกไปดูนันนน่นไปู่นเดี๋ยวไปดูจังหวัดนั้นวนนนไปดูที่ตรงนั้นเดีไปดูที่ตรงนี้ ไปดูในเขานั้นเถอะปฏิบัติในเขานนเนี่ยเงียบดีในถ้ำถ้าไปถึนในถ้ำเราก็ไปเห็นถ้ำอยู่คนเดียวได้ดิน้นชักัวนใช่ไยมเคยมีผ้ามาจามันตราไหมาที่นี่นนนถามมีครับสบายัหยถ้าเขาบอกว่าปล่าครับ มาจำภาษาที่เราเสี่ยงรอดภาษานี่ยบางทีก็ตายในภาษาเยอะแยะมาอยู่แสดงนี่เกเป็นไข่มาเรียนไปแล้วยังนี้กลัวแสดงมันบอกให้ไปแลยไปเซงที่อยู่มม่ให้กลัวคนอื่นตายมันกลัวเลยทางนี้นี่พระมคยมาอยู่นี่เคยเป็นไข่ไหมโอ้ไข่ไข่ไข่จะรอดภัษาทำยังไงบางคนอยู่นะม ท่านจะอยู่ก็อยู่แต่ผมผมก็ไม่อยู่เราคงจะไปแล้วก็ตะพายาดตัวกันหมดเลยกัวไปอยู่ในเมืองก็บอกว่าไปอยู่ในป่านอยู่ป่าก็อยู่ในถ้ำถ้าไปอยู่ในป่านท่านตัวมาในเรือีกแล้วไมีที่อยู่เลยแล้วก็เดินตะพายบาดเดินตลอดเวลาแต่ก็ไปโน่นไปนี้ไปนี่ตลไปโน่นเรื่อยหาที่ปฏิบัติยังไม่ได้ปฏิบัติเลย คือเราไม่รู้จักขี้ปฏิบัติแบบนี้ น, นี่มันก็จทพาให้ตาทายบาทไปเรื่อสำ น, นักนั่สนสนักนี่เขารูกนั่นลูกนี่พอไปนั่งคุกท่านแม้คือทามจังหวัดเดชเห็นท่ามหนึ่งนะนี่เดิเนเลยอ๋ออยู่แล้วเราจะอยู่ที่นี่ก็อยู่จะถือกัตรงนี้แต่ยองไปเรือ่อย ไปอยู่ที่นั่นหนูน้ำก็อยากสะอุดสักนิดนึงอาหาร็้องไปมากมันบ้านมันไกลไปอยู่สักอาทิตย์หนึ่งก่อมีคนหนึ่งกโอ้ยท่านจะมาอยู่อะไรทำอันนี้ล่ะมันหนักมากทำภูเขาร่วอยู่สบายยี่ตัวนี้เวลาคิดไปดีกว่าเลือกทำมีอยู่จะไปอยู่แล้วแต่ไฟบาดไปแล้วมันก็ไปกันอย่างนี้น่ะอารมณ์นะ ของกเราไปไคนที่สุดจะมานั่งในป่าเราก็เคยไปอยู่ในถ้ำเ้าก็เคยไปอยู่อดข้าวหกวันเจดวันล้าก็เคยอดทำอะไรเาก็เคยทามาแล้วไม่เห็นไหนอะไรนก่ะเป่าสิเป็นสิดเอเปิลดีกว่าใชไิดีกว่า แต้องไปทำอย่างนั้น่งนั้นอยงนั้นงนั้นอย่งนั้ยงนั้นเรืยงนี้อ้าวสุดประศึกสิเด็กมันต้องอายใทสวนินดีผัวไม่ต้องเหยียดเียงใเอาละถูกวะ็ไปอันนี้นี่ถูกอยู่ที่นั่นไปทางานทาสวนหนึ่งเบื่ออยู่แล้วงยุม่มีเวลาเนี่ยที่ต้องไปอย่างนั้นย่งนั้นีนะครับบวชเป็นพระแล้วเห็นว่าลาบากสินมากภาษาเนียยาก ไปเหยียบเยนเนียนเขาเป็นเนียนอีกว่ะเมียนปลูกผักกินก็ได้ทาอะไรกินก็ได้อยู่นัน่นมีความในต้องอาศัยนะคือไปจะเนียนคือไปจะเนียนเนี่ยคทำสวนปีนก็ได้เยในป่าในเขาอะไรนั่นอะไรอทีนี่ก็ยังอาศัยโยมก็อยู่นะมีก็ลําำบากยังเก็บตะตงไม่ได้อีก คิดจะเรียนดีกว่าให้มันจุดตะตางไว้ทำสวนทำอะไรที่มีสะตางฝากธนาคารอะไรวา่าตัวนี้นะคิด เ, เป็นลุงขาวดีกว่า เ, เป็นลุงขาวแนละ้วที่นี่ก็อยู่ไปก็คิดไปอ้มันยังกินข้าวอยู่มันก็ลำบากนี่เวะยโน่นเนี่ย กินยามื่อายนี่ใสจะสบายมากทีเดียวนะแบบนี้มันตอนามันตอนกินข้าวมันกินใบไม้ใครเอาสบายเอาข้าวไปให้เอาเนื้อเอากาวเีนา้อมันะบาวกินไม้ครกินใบไกินผักกินอในอืมคนจะเลยตายนั่น ไม่ใช่ปฏิบัติขึ้นไั้มปฏิบัติถอยทัหมดนีถอยถอยตอนี้ไอ้ปัญญาในเวรานั้นก็ไม่รู้เช่นวไม่รู้มันจะดีอยู่ที่ไหนสมบัติที่ไหนแเราเป็นู้ศิษพระพุทธเจ้านี่ะท่านจระบวนเป็นพระรักษาศีลอย่างเรานี้ท่านยังทาอยู่ใไเราจะยอมเป็นลูกิษยของท่านได้งอย่างท่าน้นลายจะอยู่ไปทาไมเนี่ยที่จะถอยถอยไปหาที่มันสบายสบายสบายสบายสบายเนีย ไ้ความผิดอย่างนี้คิดผิดๆตรงรุงอย่างนี้มันก็ยังไม่เห็นครับเมื่อเวลามันไม่มีสัญญาณมันปิดมันมีธรรมชาติมันมีสิดบังไว้ในหัวในจนถอยๆๆเอ ย, อ ย, อ ย, อ ย, อยหมดจบถึงสารภาพตายเลยบาดตกียงแล้วปัญญาไม่เดือนั่นนันนนไม่รู้มันอยู่ที่ไหนสติก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนสัญญาก็ไม่รู้มันไปอยู่ที่ไหนไม่มีใครเปิเดือด ก, กันมาเลยไม่รู้อย่างเนี้ย ถ้าคนจนนี่มันจนหมดทุกอย่างจนข้าวเลจนจนเงินไปจนจนบ้านอยู่ก็จนมันจนทุกอย่างถ้ามาถามจนปัญญาก็จนหมดทุกอย่างเลยทีเดียวทำเทียนมานี้ก่อทำมานี้สุกดีกว่าไปเอาเมียดีกว่าไ่จิงเขาเย็นดีกว่ามีก็อยู่นี้นะเนี่ เนี่ยมันไปรูปมีไปไง่ายๆครับถ้ามันถ้ามันขาดเครื่องคุ้มครองของมันขาดปณิชาขาดปัญญาขาดความเชื่อขาดมดทุกอย่างอย่างนี้มันจะเป็นไปแต่ว่าเมื่อพร้เนีอยากจะคืดผมก็ออให้คิดผมบอกคิดดีหรือคิดถูกเลยหรือไปคิดอีอที อันนี้ผมเป็นเด็กคนบอกช่วยคิดไม่ได้ไปคิดอีกทีหนึ่งคิดบางวงไปมต่อยู่ไปตลอดเนี้ยบางวงกลมไปคิดอะไรก็ไม่ได้ไปอย่างนี้บางคนอ้าวในวาสนาแต่ตอทีน่าทีห้าครบแล้วก็ก็เหน็ดได้มีครบคำนองมีทีห้ามีคำระยะประเสริฐพิธีเป็นแบบยอดคำงทางท้บางคนประเสริฐพอ้าวคุณวาสนา ไม่ดีชมติไม่ดีชาติที่จะหาไปเรียนว่าบุญพระยาสองไม่ดีเรียนไมด้ไร้ไมได้แต่สวซ้มาขาดอินทร่กจะเอาซื้อน้ำใส่เนื้อเจ้าของซืน้ำส่เนื้เหมือนกันซื้น้ำใสเนื้อเหมือนกันทียืนพัเสียอ่าเออ อันนี้พอามาฝึกที่หลายปีแล้วศึกษาได้มาครั้งแรกอก็มาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่นี่สักพารแล้วก็ให้เขาไปอยู่ตรงโน้นมาแรายงานที่นี่แห้เขาไปอยู่ที่นี้นพอมันเที่ยงที่อยู่แล้วก็ส่งมาตามสาขาจะสาษาต่างๆเออกไปกามสาขาต่างๆอือ่างนั้นก็ต่อมาอยู่ไปด้วยกัน ในสุดการพระธรรมวินัยที่เราเรียนมารู้กันนั่นแหละเนี่ยเอามาที่ไหนหรอกรอืาเอามาจากนักสังครีะหนักคำโทษนักคำเอืยงที่เราใส่ที่ถ ก, กที่เราเรียนกันนี่แหละแต่สมัยมนี้คำทีทั้งหลายนี่มันอับฟับไปแล้วไม่มีใครเอาออก ม, อามาใช้เอาออกมาใช่เฉพาะความเห็นของเจ้าของการวินยัยจะมีพระธรรมท่าอะไรจะมีมดเรื่องเศรษฐกิจมีอยู่ไม่ใช่วงวขาดไปทีไน แต่เราเรียนกันอยู่ตาดีตาขวางอยู่อย่างงั้นแหละแต่เรียนได้ไม่ได้เอามาใช่ออันนี้หลวงพ่อคิดว่าท่านปฏิบัติมาจากไหนก็่ฏิบัติจากเราเรีย น, ปนไปเนี่ยพอเราเรียนรู้อยู่แต่ไม่เอานั้นมาใช่มันมีเรื่องเท่านี้แหละครับต้องเอามาใช้ดีๆสิไม่ต้องเอาแรงมาหลอกครับมันไม่น่าข้อปฏิบัติของเราเนี่ย มันทําให้มันจริงเท่านั้นเนี่ยมีเราไปมัวอย่างอื่นกันใช่ยหไอ้ที่เราเรียนที่มันถูกต้องเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเใครพูดก็ค่องคล่องคล่องทั้งนั้นเละแต่ไม่ทําให้มนนีในใจเรานี่ครับมันจะเกิดประโยชน์อะไรแต่ mm hmm. พูดในเรื่องอืน่นผมมาพิจารณาอะผมไม่ได้มาพิไารณห้เขครับไม่ได้มาพิจารณหรอกเรื่องพุทธศาสนาเ น, นี่ะสักวันมันยิ่งมีหลายดาัชชีครับ ไปตรงนั้นทำอย่างนี้ไปอย่างนี้ตรงนั้นถ้าหากว่าเราเข้าใจในธรรมะแล้วนะครับมันจะสับสนกันแค่ไรจะชั่งมาเดอะมันไม่หลงหรอกถ้เรารู้จักว่ามังคุดจริงรูจง้จักเงาะจริงรู้จักลำยายจริงรู้จักในนาจริงรูจ้จักขนทำไมจริงๆทุกอย่างละ่ะเอามาเทเจตจาเดียวกันเถอะให้มันเลเอะให้มันปนทะแล้วก็เออะอืมอ่ะ มันเป็นรกระจาเดียวนะฮะแล้วให้เราไปหยิบลำไดที่ไหนก็จับออกมาก็ได้อืมมาเหาะอยู่ที่ไหนก็จับได้ครับอืมที่ไหนที่ไหนได้เท่านั้นแหละมันเป็นสัจธรรมสวรรค์ น, นี่ครับใครจะสอนไปที่ไหนก็ช่างเถอะถ้าเราเข้าใจในธรรมเนี่ยผมว่าไม่สะเทือนเนี่ยถ้าเรารู้แน่นอนเลยครับไม่ต้องเสียใจนะอืมอันหนึ่งมันเป็นเรื่องกะทิอันหนึ่นงมันเป็นสัจธรรม ถ้าที่จะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้่ยัง่งยูกหลานพระปฏิวัติคเนย่ังหวันนี่นะขนาดที่เรียกว่าอารมณ์ของสัสาทนท่านมีกระเทียนกันตาลีตาขวางแล้ว น, น, นี่นั่นไหวยุบเนาะนี่ว่าทองเนานเนาอพุทธโทนี่ว่าธรรมโมอะไรต่งางๆแล้วนี่ค่ะสํานาอัลัฮั่งท่นจะเทียงกันไม่รู้เรื่องไม่ดูเราก็เพราะคนไม่รู้เ ร, รื่องความเป็นจริงนันแหละมาสิ่งชุกชุกชุกชุกชุกนี่ก็ไปดวงกันตรงไหนี่อืม ทุกทีทุกทีคือยืนกันระทอันนี้มาเราก็ไปเถรกัน่ไมไม่เถือระทิแต่ไปเถือระกันเที่ยงพระพุทธจาวันกรเรียนยัอย่างแต่ว่าใหู้้จากส่วนจบอันนี้มันจบตรงไหนกันอันนั้นมันเป็นคำพูดของคนนะครับมันเป็นพูดของคนพูดของคนมันรีบได้อย่างเคยค่ายอภัยอย่างสุนัขอย่างนี้มันไม่ตายตัว เขาเรียหมาก็ได้เป็นอะไรอย่างนี้นะเราจะไปถือมันเปาหมาว่าคือน็ออย่างนี้ครับอืมไอความจริงมันตรงที่ของมันอยูอย่างนั้นเนี่ยครับถ้าเราเข้าใจในเสี้ยมนี้แต่ก็ไปที่ในใบไม้ทิ้งอะไรตรงนี้มันจะรวมติดอยู่กันอบางทีนันก็ไปปฏิบัติไม้ทิ้งจุดอินดีนต่างๆกันเพื่อ เนี่ยไปในกลุมนี้ก็พูดถึงเขาแนะนำเขาอย่างนั่นไปกลุ่มนั่นก็แนะนำเขาอย่างนั่นแนะนำเขาไอ้คนดื้อหลังก็ไม่รู้จะอะไรนะคนภาวนาฟุโฟก็ยึดมั่นเห็นมันขังกไปคนอนาปัจจก็ขังกันไปชั้มาระหังก็ขังกันไปยุบเนอพ้องนอก็ขังกันไปนี่คือันถูกคุณผิดอย่างนี้เดียไปเลครับอันนี้มันไม่ใช่เป็นธรรมะ ไม่ใช่เป็นธรรมะธรรมะที่เรื่อเรียนแต่พระเจ้าเจ้าท่านพูดว่าให้จดจําเรียนนังสือท่านให้จดจํำมาจะ่านยังที่ได้แค่มันจดจดําแล้วจ้าให้ปล่อยความยึดมั่นถือมันถึงในการกระทําดีอย่างเนี้ยผมเข้าใจว่าท่านจะให้ทําดีละคนชั่วให้ทาดีแต่ว่าดีนั่นน่ะถ้ารเราจะยึดมันว่ามันดีจริงจริงเ น, เนี้ยเราดีนั่นก็ผิดเลย ไม่ถูกแล้วไม่ดี เ, เ, เนี่ยเสียเนี่ยเออนี่ยเราถูกอย่างนี้ยเราก็พูดฟังไหไ้บ้าแต่ว่าเมื่อมีคนอื่นว่าไม่ถูกเพียงแค่เราก็ปล่อยทิ้งก็ได้เนี่ยอือย่างนี้เขาเขาว่าเราผิดเนี่ยเราขเข้าใจว่าเราถูกแล้วเราปล่อยมันทิ้งก็ได้อแต่ว่าให้ยึดเอาความเปจดจําเฉยให้เข้าใจว่าธรรมะมันจะรวมแห่งเดียวกันเท่านั้น ไม่มีที่อื่นครับแรรต่เรารู้จักต้นต้นปลายสายเหตุของธรรมะมีจุดหมายปลายทางอย่างแท้จริงแล้วผมว่าตกไม่ลุมไหนก็ไม่หลงเอาเอาเงาะเอาลำไ ย, ยเอาเอาไปขะกันในในกระจัดอันใดกันก็สั่งเลยครับเอาไปให้เราจะหยิบเอาลำไยก็ะถูกจะลำไยทั้งนั้นแหะหยิบเอาเงาะกระถูกเงาะทั้งนั้นแต่ไม่ไปถูลำไยหรอกถ้าเราปฏิบัติธรรมะจะตกไม่คุมไหนก็ช่างเยอะครับ จะใเรารเรื่องความจริงของธรรมะที่ไหนไม่ในทีเดียวครับอ่มันในทีก็มันมันมันเป็นเรื่องคล้ายๆแค่เดียว่เขตแห่งเสมาทุกวันนี้เสมามีที่ไหนไม่มีเสมาไม่มีใครใคดูลักชณะของสีมากินน้ำมันจะมีครับด้วยในป่ามันจะมีมาถึงที่นี้มันจะมีใครใครดูจับและชนะของมันมันก็ไม่สีมาได้อือจุดความจริงนั่นครับมันจะผ่านไปตรงไหนนั่นก็ มันก็ยึดตัวมันใช่อยู่นั่นแหละมันมีความจริงอยู่ตลอดเวลาอืมฉะนั้นถ้าเราดูเรื่องของธรรมะแล้วมันก็นั้นไม่มีอะไรครับแต่ว่าท่านเรียนว่าท่านต้องยึดอต้องยึดมั่นต้องยึดยึดศีลยึดสมาธิยึดปัญญาเป็นหลักจะต้องท่านต้องยึดมั่น ไอความจริงๆมันเป็นภาษาที่คาพูดเบื้องต้นจะต้องให้ยึดอันนั้นะก่อนแต่ถ้าเจ้ท่านเป็นแบกไม้ทอนนี้อยาวางมันเลยนะอแบกไปดีแบกไป น, นานๆมันก็หนักเห็นไหมละ่ะหนักจะทําไงมันจะทับตายอันปล่อยมันแล้วโยนมันขึ้นงย้ะให้ก็โยนมันทิ้งไอ้คนที่เนถูกไปยืนเนี่ยโยนมันขึ้นเหนไหมต้อมาอยากจะทิ้ง ถ้าเราไม่ยึดอันนี้ เ, เรื่อยๆจะทำอะไรถ้าเราเชื่อมไม้ท่อนนี้เราก็ไม่ได้ไม้เท่านั้นเนี่ยก็มีอะไรจะเกิดขึ้นในคนที่แบกไม้หนักๆคนอื่นบอกโยนทิ้งเขาว่าไม่เกิดประโยชน์มันจะเสียมากเขามาเห็นน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมานี่จะแบกไปจนจะตายมันจะพัดตัวตายใช่ไะเลยอดทนไม่ได้จะเลยจะโยนมันทิ้งแต่โยนที่งมันก็ไม่นา่า ถ้าไม่นักความเบาก็เกิดเกิดมาอืออันนี้มันได้อย่างเงี้ยมันได้เบาหนครับนี่เวลาเราจะไปยึดไปมั่นก็เรื่องว่าถ้าไม่ยึดมันก็ไม่ได้ถ้าไม่แบกกันไปมันจะ ไ, ได้ก็เนื่องว่าโยนทิ้งคือละมี่ก็ได้ว่าถ้าพระพิจ้าสอนในี่ทิ้งให้ละไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นอคนแบกไม้นักจักมาเมื่อเราจะโยนไม้ทิ้งมันจะไม่ได้อะไรอืคนแบกมันเป็นจะตายจริงๆมันจะภาพหลอน แม้แต่ยนมันพิ้งไปนี่ต้อเกิดความเบาขึ้นมานีระเคลมันได้ทเคลระ ว, ว่างแล้วละอันนี้อืมความเบาหรือความสว่างนี่เกิดขึ้นมาตรงนี้เมื่อความอยากต้องคุ้มเครือเข้าใจจิดอยูนน่นั้นกไไไ็ไม่ไม่เห็นอะไรจะได้ต้องยึดอย่งนั้นแล้วถ้าเราด้จากเคลื่อนที่อย่างนี้แล้วฮะก็ไม่มีอะไรจะศึกษามากอะไรครับอืม ก็ให้เขไปศึกษาว่าอันนี้มันมันเป็นอยู่อย่างนั้นเท่านั้นแหละแต่ในโลกนี้มันก็มีอันเดียวเท่านั้นเท่านันมันไม่มีหลายอย่างอืมมีหลายอย่างฮะฉะนั้นเราก็อยู่เท่านั้นอืแล้วกระายตัะใจเลท่านั้นก็มีสองเานี้อืมถ้าเราจะศึกษาอะไทั้งทั้งหมดนั่นนั่นไม่หมดหรอก ยังในจะเดินข้ามภูเขาลุ้นๆจะเอารถจะเกิดมาเบิกยัมันเตียนจะไม่ได้ไม่ได้ในจะไาบางทีตายก่อนแล้วในมีจะเรื่อหนึ่งก็ตัดตัดตัดตัดัดเฉพาะเป็นช่องทะลุไปเลยก็ได้ข้ามภูเขาได้เหมือนกันนี่โอกาสเช่นนี้มันมีแล้วออส่งนี้การปฏิวัติานี่สมมอนันแต่ถ้าเรามองเห็นธรรมะมนแล้วไปที่ไหนมันก็ไม่มีอะไรมันเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นส่วนแห่งธรรมอยู่กันฉนั้นมันมีส่วนอยู่ พอเราไปมองเห็นพวกแบบนี้แ ล, ล้วต่อรู้จักแล้วครับมันผิดถู ก, กถเปล่าพระกันอยู่ทางนั้นควรไม่ควรมันป น, นเป็นอนู่ในทุกวันมีคนที่ถ้าไปปฏิบัติในถือร้านถือมั่นถือขังถือนู่นถือนี่เท่าน่ะอืมนะฉันนี่ถูกคุณนั่นผิดอะไรไหม น, น, น, นั่นยิงดูยเดนเนี่ยอยิ่งข้าไปเยิงกอเวี น, เนใหญ่เนี่ยไม่ว่าเราถูกนี่ยจะไม่ในวาง พระพุทธเจ้าตรันสอนในเรื่องการปล่อยวางการปล่อยวางยถ้าหากว่าผมว่าถูกท่านว่าผิดเขียนกันจบตรงไหนที่ไหนที่มันจบผมว่าถูกท่านว่าผิดนี่ยอถ้าหากว่าผมหรือท่านปล่อยสักข้างนึ่งแสดงว่าถูกแต่ถูกผิดกบผิดแตปล่อยก็จะมีอะไรสู้กันต่ไม่ได้จบตรงตรง ผมจะถูกท่านะกะผิดผมจะถูกท่านก็ผิดผมจะถูกท่านะกะผิด จ, จ, จบตรงไหนครับไม่มีทางจบแล้วเนี่ยีคือความอยากมันต่อตายครับการเราละสร้างหนึ่งแล้วมันก็ไปนีการปฏิบัติตัวมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละครับแต่ที่ให้มีความละเอียดพิจารณาอะไรทุกอย่างทุกสิงคือมันมีในตัวมันถึงนั้นแหละเช่นยกตัว อ, อย่างง่ายๆนะเราจะไปสอบนักเรียนอ่ะสอบโรงเรียนไม่สอบนึมันก็ไป ก็จะมีปัญหาที่จะเขียนถามเราเป็นปัญหาเขาจะเขียนเราก็เป็นคนต่อบปัญหาอนความจริงๆนั้นปัญหาในที่นั่นน่ะไม่มีเฉลทุกข้อไม่ใช่มันมันติดเดยนะปัญหาเนะะี่ยครับมันเป็นปัญหานะ่ะแก้ว่าตัวของมันนั่นมันมีเฉลพร้อมอยู่ตรงนั้นถ้าใครไม่รู้ก็ไปเห็นแก่ปัญหาไม่มีเฉลยมันก็เลยทุกข์ยากลำบาก ถ้าคนไปรู้รู้ปัญหานั้นมันก็มีเสีอยู่ทุกฟองมันอยู่ในนั้นแหละครับมันอยู่ในตรงนั้นคือมันหนักอยู่ตรงนี้มันก็จะเบาอยู่ตรงนี้มันเมื่อยอยู่ตรงนี้มันจะสว่างอยู่ตรงนี้มันึกอยู่ตรงนี้มัน่ตรงนกัันั้นแหละครับไม่เคยจะไปโค่นหนาที่ไหนมันตอย่างนี้ทุกอย่างแต่ตรงนั้นเนี่ยราพเจ้าบอกให้เราปฏิบัติเอาเอง ทำไมทานึงบอกอย่างนั้นท่นทำไมท่ึงบอกความปนทุกข์มาให้แจ้งเน่ทำไมท่านจะงไม่บอกข้อนิพพานในีมันชัดแจ้งไอ้คนนี้มันบอกชัดหรือได้อืองั้นใช่เป็นปัญหาอยู่ทีคนที่บอกมันเป็นปัญหาอยู่ทีคนจะฟังจะทําน่ยแต่เพราะมันไม่รู้อยู่ทีนี้มันรู้อยู่ที่นั้นผูรับรู้อยู่ที่นั้นแม่ใช่วมันแจ้งมาจากคนอื่นมันแจ้งจากที่นั้นจะต้องไปทําการปฏิบัติมันแจ้งอยู่ที่ตรงนั้นอันนี้คนที่ช่วยมันก็นําไปถึงแค่นี้ อัคคตาโลตะถ า, า, า, าคตาจะถาโคเป็นเจ้าผู้บอกท่านท่านไม่พูดถึงแต่เป็นผู้ทําให้ดาวโกทั้งหลายทําไมท่านถึงถึงสอนอย่างนั้นนี่นั่นพระพุทธเจ้าก็ไม่ฉลาดนี่คือท่ททานฉลาดแล้วนี่คือท่ทานฉลาดเลยทุกอย่างท่านไม่เห็นทางนอกไม่เห็นในตัวแยกสิงแล้อเป็นต้นมันก็สงสัยเยอะเรื่อยไปจนวัดดังระโพง ว, วันนี้เนี่ยถ้าท่านจะกราบกลฏิบินออกไปวัดดังปกโพงท่งก็วาดภาพ เขาเล่าให้ฟเข้าใจตามสัญญาทีนี้ก็รู้จักเกิดควารู้ขึ้นมารู้รู้อะไรรู้เพราะเขาบอกว่าไเป็นอย่างนั้นเท่านี้มันไม่แจ้งนี่ครับมันมีมันมีธรรมชาติอไอ้จิตด้วยนะจึงว่ารู้ก็ไม่ึง ไ, ไม่ชัดเจนอาจาไม่ชัดเจนแต่ปัญหาก็เกิดบ่อยครับอีกมีคนมาอีกมาจากไหน ผมมาจากวัดต้องตงตอตะอ่างมันเป็นยงไถามอยู่แล้วนะคนตอนกะถามแล้วนี่รู้แล้วคนที่หลังมาก็ถามอยู่ก็จะพงเนี่ี่แจงเราฟังคนอืมเดนเรีนรู้อยู่แล้วนะครับดือนันแต่มันยังมีแจ้งเหมือนกันถ้าอีกคนมาอีกมาจากไหนท่านมาจากมาวัดตะงวัดงเป็นยงงอ่ ทนทีชีวิตอท่านจะถามไปเป็นตายก็ไม่รู้เรื่องว่าพระตะพงศเป็นยังไเมื่อวันนี้คนท่านทั้งหลายเนี่ยมาพบวัดวันนี้เลวมาพบผมอีกวันนี้ปัญหาที่จะถามถึงผมว่าเป็นรูปรังด่ายแย่ขนาดไหนพระตะพงศ์เป็นอย่างไรปัญหาทั้งหลายเลยมันจะร่วมโยกเลยหมดไม่หมดมันแก้ปัญหาเพราะอะไรอื ม, อ ม, อมเพราะเราทำมาพูดเจอกันเอง มาเห็นประถานที่มันปัญหามันดึกหมดไปก็ไม่มีอะไรมันหมดมันก็เป็นเรื่องอย่างนี้ตัวอย่างอ่ะแต่ละเรื่องธรรมะมันก็เป็นเรื่องอย่างนั้นเรื่องขี้แกล้งแกในเรื่องพิเศษเป็นเรื่องเสียงไปเสียงกันเห็นธรรมะเน่ยมันไม่เห็นนะครับมันดิ่งหลงใหญ่เลยไม่ใช่เสียงอืใช้พูดกันโจรโจรลงไปใช้พูดกันโจรลงไปไม่ใช่ธรรมะเสียงกันเนี่ยมันดูเรื่องการธรรมะแต่คนมันมียะทุกปุ่ม ธรรมะไน่มีที่เสียงกันยี่ที่พูดกันกันฟังถวายแล้วก็ฟังฟัแล้วก็นาเอถ้ามันติดมันมีข้อปฏิบัติของมันอยู่ถ้ามันถูกมันมีข้อปฏิบัติของมันอยู่อย่าไปสงสัยว่าปัญหาข้อที่เฉยมือนยาไปสงสัยมันเดมันมีเฉจุกข้ออะไรที่มันเกิดนกิองาทุกอย่างนั้นแหละครับมันจะเกิดชอบไม่ชอบเกิดุขเกิดทุกข์อะไรเป็นต้นนะครับ มันจะหมดปัญหาเองของมันเมื่อมันพวกกไปเห็นในตัวมันเองคับอมันรู้เองความรู้เองหรือรอดอมันรู้รอบมันจะรู้รอบของมันอันนี้แหละท่านทั้งหลายเป็นที่อยู่ของคนเราอย่างจริงจังอืมจะไม่หวั่นไหวแท้ๆครับอันนี้อืมอะไรอืมก็ช่างมันเถอะมันจะปรฏิบัติไม่ผิดไม่ผิด ปฏิบัติหมดผิดครับหมดผิดผมเคยพูดว่าเคยมาเล่าว่าที่นี่ทํานรำสมตะหรือท่านทาอิปัจนาผมตอบทัานยากนีคือมีดเล่หนึ่งผมยกขึ้นมาอย่างนี้ครับผมจะไปแยกคมกับสันมันออกไม่ได้ครับมันมต้องมีสังคมมันอยู่นั่นแหละผมเห็นอย่างนี้มันตน้องมีมีดเล่มนี้ทังคมทั้งสังนมัีอยู่ เรื่องปฏิบัติอันนี้ท่านปฏิบัติกรรมธรรมสารนิพพานารรมสารผม้อบท่านไม่ยากเพราะมันมีสองอย่างความปนวันพระกันอย่างนี้เองมันเจริญจนไปพร้อมกันอย่างนี้รากมันจะเจริญต้นแล้วมันก็จเจริญใบมันจะเจริญพร้อมกันเงินเจริญขึ้นไปไหนท่านั้นก็เป็นเรื่องธรรมะแล้วไปพูดเถึงอาจารานมันหมายถึงความสงบอความสงบขณะหีึองความสงบก็ไปดบอารมณ์อยู่ มันจะรู้เรื่องอะไรนี้ไปยิ่งในป่าในอารอารมณ์น้อยๆใอน้อยๆมันจะทิ้งอารมณ์องนี้จิต ก, ก็สงบได้แต่สงบเพราะอะไรความขีด ย, ยังไม่เกิดในเานันมันหลกมันโง่ที่ตุดอย่างนี้พอกรรมาฐานตัวนี้ไปเรื่อยเร ๆ, ๆ่ๆๆๆๆๆๆไปอย่างนี้ลงความสงบต็วนี้ บางแห่งก็เข้าใจเชินเป็นไปเมื้อภาษาที่ไหนแล้วความสงบนี่อยู่ที่นเนื้อเนืองนี่แหละนะอยู่ที่นี่ก็สงบได้อันนี้ถ้าทําได้ก็พูดพูดได้สะถูกดี น, นะจ๊แต่ว่ามันทํายากอารักษ์นาจิเรียนใหม่นะหนังสือต้องทําตัวบัรจงทําตามแบบตามแผนมันจะก่อนมันที่เปลีนไปได้ไม่ใช่ว่าอันนี้ในคนในทางโลกนะไม่ใช่ว่ามันดได้ในใจของเรานพระพุทธรูปยอย่างเ์นี้ท่านจะไปบายมันได้เบิกมันได้ เลไม่ใช่มาคิตแล้มันอยากจะจับจะรูดจะามอยู่มันไม่ใช่แบบมันเลิกทีเดียวเลยแล้วว่าต้องปฏิบัติเห็นเหตุผลนั้นมีัจจัยควรไม่มีควรเนาะอันนี้เกิดคินฟองในจิตใจองคมาธิเดียวมักเาเหชัดคอยวัดอันนั้นก็เรื่อของมันได้มันเปลี่ยนไปของมันอัตโนมัติของมันมันมีอยู่อย่างนั้นอันนี้มันเป็นของของญาติครับถ้าพูดถึงส่วนการประพฤติปฏิบัติที่มันมันมันเป็นมันของดีรับอยู่ แต่ว่าผมว่อยู่ในปา่าจะอยู่ไปเถอะอย่าหลงปา่าอย่าไปเมาปา่าอยู่ในเมืองท่านอยู่ไปเถอะท่า น, น, นอย่าไปเมาในเมืองท่านชอบไปสรงกับนิมนเถอะท่านอย่าเมาท่านอย่าเมาสรงท่านอยู่วัดท่านก็อยู่เถอะแต่อย่าเมาวัดเป็นอย่างนี้ก็ัความจริงมั Lynn, นเป็นอย่างนี้เออนั่นแหละนี่เป็นอย่างนี้เออนี่ให้เราเข้าใจกันให้เราเข้าใจกันตรงนี้ ให้เราเข้าใจกันทีก็ดูเอาเองอทํำมาเองจะทาได้ตรงไหนแล้วก็ต้องทำตรงนี้เรื่องปฏิบัติเป็นเรื่อนอย่างนี้ออืือบางทีก็อืก็เรียกว่าไอ้ความรู้ซึ่งในการได้มาปฏิบัติมาจากการแต่ทำจเป็นนั้นเช่นอย่าเราเป็นฆราวาสเรามีเพื่อนคนหนึ่งเนาะมีเพื่อ น, นหลายคนเราไปที่นี่แล้วเขาโอ้โหนะ เขาทอดปลามาให้เราบรีโภคเอ๊ะคุณเาปลามาผมไปตกเบ็ดต้นเนี่ยมัก็เลยมาทอดจริงจริเนเลยนะเราก็เข้าใจว่าเออปลามันจะต้องไปตกเบ็ดเอาไปทิ้งได้ไหนะแต่้ังหน้าอีกจะเยี่ยมเพื่อนข้างหน้าอีกเขาแยงปลามากินเนื้อมันจะไหนมันไปทอดแหยวะเนี่ยตกใจเลอทําไมคนนีปลาเป็น ไปตกเบ็ดเอาปลามานกินได้าไอ้คนนี้ก็ไปทอดแหย่ทำไมมันเป็นทำไมไม่เหมือนกันอย่างนี้คือคนไม่มีปัญญาถ้าคนมีปัญญาเรื่องหามานั่นไม่เป็นปัญหาแล้วขอเด็ดปลามากินทั้งกระพอกันแล้วเนี่ยพูดถึงชาวโลกเขาอย่างนี้ครับจะไปเข้าใจอ่ะทา่านไปตกเด็ดมาท่านก็ได้มาจากการตกเด็ดทั้งอมดปลาตกเด็ดมาทอดแหย่มาทั้งว่าท่านไปทอดแหย่มาทา่ทานไปซื้อมาทั้งหมดท่านไปซื้อมา เพราะท่านได้มาจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นการพิบัติเรื่องจิตใจครูบาอาจารย์บางทีท่านได้มาเพราะอนาปามสินะอนาปามทำนาบรีบางแห่งท่านได้ความรู้มาจากคพโธ่คุโธ่บางสิ่งบงอย่างท่านไม่คิดนาลูกนามอันนี้มันชัดเจนกับความในจิตใจมันตัสงบท่านสงบได้อย่างไงเราไปเรียนท่านทาสอนอย่างนั้นให้เรา แั้แต่นคนไปเอาปลาแหละเขาได้มายังไงเขากะเอาอย่างนั้นมาพูดให้เราฟังเราอย่าไปยึดมั่นตรงนั้นดิปลานี่จะต้องไปตุกเด็ดมานะปลาจะต้องไปทอดแห่มานะปลาจะต้องไปชี้มานะปลาจะต้องไปสุ่มมานะอย่าไปยึดมั่นในการสุ่มในการตกเด็ดในการทอดแห่อาความหมายคือความจริงของมันได้ปลามาเป็นอาหารนั่นเลยตอนนั้นเราคือผลมันรวมอยู่แล้วอย่างนี้ การปฏิบัตินี่ก็เหมือนกันครับมันกว้างขวางมากอย่างนี้โดยมากแต่คนเราก็ไปคิดแค่การอะไรนี้โดยมากนะมันก็โดนกันเบียดลำบาอืมมันมันมันฉันก็ว่ามันเป็นปัจจิตังนั่แหละครับไอ้ทาวันนี้นะมันเป็นปัจจิตังแท่จริงไอ้ความชั่วทั้งหลายในจิตของเรานะอืใครจะเห็นกับเราแล้วไอ้ความสุขทั้งหลายอยู่ในตัวของเรา ในความบริสุทธิ์หรือความโกหกโกนในตัวของเราเนี่ยใครจะมารู้ก MM ับเราใครจะมาเห็นกับเราถ้าเรามาเห็นกับเราใครจะมาแก้ให้เราล่ะเราก็เป็นขโมยดื้อไปอยู่นั้นนหละใครจะมาแก้ให้เรามันเป็นเรื่องของอย่างนี้ครับท่านจึงจะให้ดูเจ้าของถึงมันรู้กับเจ้าของพิ่ขี้ผู้โตเอาตนเป็นพยานของตนไม่ใช่คนอื่นเป็นพยานมันชิ้เผือนเท่านั้นเนี่ยเอาคนอื่นเป็นพยานนะไม่ขี้มันก็เป็นพยานขึ้นมาได้หรอก ก า, ารที่ันเิดจนจ้างจนมาจะได้แล้วเป็นอย่างนี้ครับยานความจริงกับธรรมานี่ไม่ไม่เป็นอะไรอย่างเราทำผิดแล้วไปถูกอะไรมันเกิดขึ้นมาใช่อย่างเรามองเห็นเหตุนีนไ่ได้มันเกิดขึ้นมาหจเาจับจิตตังเไปฮะเรก็ไม่มีอะไรจะเสียไม่ไเพราะเขเห็นจิตให้โทษให้โทษต่างตรงไหนใชดีกว่าอนีอม mm hmm. mm hmm. ก็คือพวกทั้งหลายที่มาอยู่ด้วยกัน น, นั่นแลมควมีอะไรสมควรอยู่ไปเนี่ยเดี๋ยวไปตามป่าตามลกไปเรื่อยๆยังสอบป่าก็อ ย, อยู่ป่ามันก็นอยู่ป่าทีนี้จะเริ่มมีสุภาคิตสื่อมีการอยู่ปอืก็ดีแล้วครับมันมันเป็นหน้าที่ของสมณะ ที่จะอย่อย่างนี้โดตัวมนันเนี่แต่ว่าเลยอ้อมันนั้นมันสุดแท้แต่ปัญญาของคนเราท่านจะให้เมาปฏิบัติก็ปฏิบัติอย่ให้มันเมา <c oughs> ไย่าเสยให้มันเมาตอนนี้แหละครับเลื่อนเลื่อนเลื่องมันแล้วก็สบายอ <c oughs> สบายเลยไงม จะอยู่ที่นู่นไม่มีใครมารบ ก, กวนเราไม่มีใครมาว่าเราไม่มีใครมานินทานเราตรงนั่นอยู่สบายแต่นั่นก็จะไปยึดมันเลยครับถ้ากเราไปถูกที่เขามีดินทานเราเราจะสบายไหอรับหลังจีเรียจะเตั้งไว้อย่างนั้นตรงนี้มันสบายขอสบายพ้อดัใจเราในาอารมณ์ที่ถูกใจเนี่ยที่นี่ อีกบางอย่างบ้างแห่งบ้างทิศนั่นมันจะได้อารมณ์จะไมู่กใจเราเราจะสบายไดนะ้ไหมนี่มันเป็นของสิ่งสำคัญวันนี้เราไม่มีโรคเราไม่เป็นไข้เราก็พูดกันได้สบายอีกพรุ่งนี้ไปเดือนนี้เราเป็นไข้ร่างกาย เ, เกิดเวทนาเป็นตังกายตังจิตอย่งนีนนนนะ้ตรงนั้นเป็นเหตนผลได้ไหมตรงนั้นเป็นที่ได้ทํำเหมือนเราจะต่อสู้ เี่ยบไมาต่อสู้โมเดลามันตาเราเราไม่รู้จักเรากลัวมันไปเรื่อยตรงนี้มันไม่สงบกว่านี้ไปตรงนี้มันไม่สงบกว่านี้ไปตรงนี้มนไม่สงบกว่านี้ถ้ามาอยู่ไปไม่จิทุกข์ก็นะเห็นว่าทุกนั่นแหละไม่เกิดประโยชน์เราเห็นว่าทุกนั่นแหละมันมีประโยชน์อยู่แล้วมันเป็นทุกข์ักษ์ ถ้าเราไม่พบ ก, กับทุกข์ไม่สู้กับทุกขไม่รูเรื่องของทุกข์เห็นทุกข์ก็หนีเรื่อยไปเป็นทุกข์ที่อยูย่ไปนั่นเป็นอย่างนี้จะจบสุขบ้างจะจบทุกข์บ้างอย่างว่าเราไปพบอารมณ์ที่ไม่ดีนะเราสู้ไม่ได้นะ่ะอยู่ตรงนั้นมันจะเสียหนีมันแพ่มันก่อนัปนี้ไปนี้ไปเพื่อความชนะไม่นี้ไปเพื่อคแพ้เพื่อไปแก้ปัญหาเพื่อไปเรียนจนะกลับต่อสู้มันอีกอยู่อย่างนี้เนี่ยครับอืม ถ้าเราเห็นอะไรทุกอย่างแล้วเราเห็นเราเอามันเ็บมันมาังมเอามันมาฝังในที่ไม่่งเป็นทุกข์เป็นน้าตา้วหมดทังหลจะจบยัตรงนั้นไหมไม่เหี่ยงไม่ต้องเบคะก็ไม่เหี่ย หมดตะไคาร้จึงพระหมดตะไคารนี่เนะหมดพิดหมดภัยแต่ไม่เกี่ยวข้องอะไรเนี่ยอันนี้ทำให้เกิดปัญญาแน่นอนครับนี่แหละคือคือเห็นกระแสของปณิาพานแท้อเมื่อเห็นปุ๊บขึ้นมาปุ๊บมันมีปัญหาแก้ไปเลยอมีปัญญาเกิดฉันตรงนั้นเลยอันนี้จังตกทังอัตตาอันนีจังตกทังอัตตาดู ตรงนี้นะครับไม่ช่างอะไรมันจะเป็นสวรรค์มีพานมันจะเป็นอะไรมากก็ฉัางมันจะสุขมันจะทุกข์ทุกอย่างกับอมาที่พย่หมดหมดตรงนี้ครับนี่ทีพระเราปฏิบัติที่ไม่หลงถ้ายุดตักรนี้ไม่หลงตรงนี้น่ยตันความหลงครับอืมนานๆไปแล้วก็พิจารณาไปมันก็ไม่เห็นอะไรเห็นแต่มันเกิดมันหับเท่านั้นแหละเห็นใจนิจังุกขังนาจารเท่านั้นเนี่ แล้วอารมณ์ฉุกทุกข์ทั้งหลายต่อไปมันก็หมดราคาตัว น, นึมันรวหมดราคาถ้าจะคว้าตรงไหนมามันจะเสิดประโยต ค, ความยึดมัน่นหมายมัน่นมันก็หมดไปตั้งนั้นแต่น่ะจะมีแต่ทำวนๆนี้จะเกิดแล้วก็รับไปเกแล้วก็รับไปเทานะั้นไม่มีอะไรมากนี่นคุณมาซึ้อแต่นี้มันจะเริ่มมือตีิบเอาได้นะ <c oughs> นี่แหละตับหลักมันเนี่นาาย <c oughs> นี่เีว่าปฏิบัติธรรมใช่ไหมผมว่ามันเท่าที่ผมภาจีจนามาในระเวียนมากมีใรู้มากในอะไรมากอืมได้มากผ ม, มอยู่ตามปากนะครับผมเปิดความรูสึกอย่างนี้อือแม่เราสอนพวกบสุสิกษารังถ้าจบปริญญาตรีเป็นโตโทมาที่ไหนผมตัวมายิงตามตองรู้ครับอืมผมก็พูดตามภาษาเต่าผมเนี่ยครับ ว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โดยผูดีอย่างนี้จนตัวใครใครมันจะน้องไปเห็นอะไรกันอย่างงั้นยัง อ, อยู่กับว่าในตรงวิธีนั้นวิธีนี้อันนี้มากมายกายฟองครับเราพูดถ่ายทอดอีกทีนึกงก็คิดว่าทําความอย่างนี้มันถูกต้องอ่าอืมอย่างนี้มันผิดต้องถ้ามันถูกต้องแล้วมันต่อหมด หมดการแก้ไขถ้าหมดการแก้ไขมันก็ไม่มีอะไรจะทำถ้ามมนมีอะไรก็เดี๋ยวมันก็วางไว้เป็นจภาพธรร ม, มะอยอ น, น ถ, ถ, ถ้าทำวันนี้เรายังขิดเขียนอยู่ก็ฝืนควา ม, ม้เกียจแต่ทำมันั้นแปลว่าเรารู้จักธร ร, ร, ร, รธธธ ม, มะปฏิปการธรรมแต่เรายงังไรเป็นธรรมมันยังอดทำดิเนี่ย เออนะอย่างอันนี้มันมันมันผิดอะไรแบบนให้เราตั้งไว้กลัวมันจะผิดอย่างนี้เราจริงไม่ทําอันนี้มันก็ยังไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันอยากจะทําอยู่เนี่ยเฮ้ยเ้ณฑ์เหนมาจริงเหล่านั้นมันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะต้องทําแล้วไม่มีไม่มีการละแล้วไม่มีการบาเพ็นในข้อนั้นอีกสัมันก็หมดสภาพไปเท่านั้นแค่นี้เอครับคือ่าทำาเป็นเพราะทุคาาเป็นี่ผูก อันตรงนั้นจะเรียกชื่อมันว่าอะไรเรียกยอะไรไทยจะเรียกอะไรอะไรบ้ า, าชาติจมันเป็นอย่างนั้นจะเรียกว่าอะไร เ, เ, ะกเกไปจสนคเาคตอนานายนอนายขอตามใจมันมีชื่ออะไรอยู่ตรงนั้นนี้ อ, อนนโลัปฏิวั ต, ติถ้าใครไปป น, รนี้น่โ อ, อ, อ้มัมน มันไม่ตายเพื่อนเนมันไม่ตายแล้วมันไม่ตายกันนะ <c oughs> แต่ว่าอยากจะมาอยู่พระต่างกินต่างทามมาอยู่ในพวกกงเกียบไว้ <c oughs> แม้กระทั่งวิจยต่างๆเช่นท่ามายุทอย่างนี้อยากจะมาอยู่กับผมผมก็ไม่ไดื้อ ทำปฏิบัติทาํามีไหมัำยังมีไหมหรือว่าอาจารย์เป็นไปทางเหียท่านไหมถ้าทำอยางนี้ต้อจะอยู่ไปแต่อยู่นี่ท่านจะต้องทอย่างนี้